ที่ชัยไปเลยใช่สบเปนบ้างช่วงนี้รู้สึกว่าจิตมันแสดงไตรักให้ดูครับเพราะว่ามันอาทิตย์ที่แล้วมันก็รู้ขึ้นมาดีรู้สึกว่าค่อนข้างดีเป็นธรรมชาติอาทิตย์นี้สองวันนี้มันก็ไม่ค่อยรู้พอรู้ขึ้นมาทีหนึ่งก็เห็นว่ามันเราไปจงใจเยอะเพราะว่ากาวนกาวายที่มันหายไปอยากให้มันได้คืนอะไรอย่างเงี้ยพาวนาดีนะช่วงเนี้ยครับ คือใจจะสงบเนื้อใจไม่สงบไม่สําคัญหรอกรสําคัญที่ว่าพอเราไปรู้สภาวะแล้วเราเป็นกลางไหมที่เราฝึกกันอยู่นานครับก็คือเราจะหัดดูสภาวะทั้งหลายนะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดขึ้นมาจะเห็นเลยทุกอย่างเราบังคับมันไม่ได้ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นใจจะเป็นกลางตรงที่ใจเราเป็นกลาง ต่อสภาวะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วใจมันจะไม่ดิ้นรนใจพอมันไม่ดิ้นรนไม่ปรุงต่อนะนี่เข้าถึงความสงบสุขถ้ากำลังพอมเกิดมากเกิดผลกำลังยังไม่พอนะมันกม็มีความสุขของมันอยู่ในตัวของมันเองการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องลำบากลำบากไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่งี้ยหรอก ให้เรามีสติขึ้นมานะเราก็มีความสุข ใ, ใจเราเป็นกลางขึ้นมาเราก็มีความสุขมีความสุขก่ากันเยอะเลยการเข้าถึงมรรคนิพพานมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปได้โสดาก็ไม่สุขเท่าไรมันแค่รู้สึกปลอดภัยจิตใจก็ถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนปูทุชนค่อยฝึกไปฝึกไปมันก็ค่อย ใ, ใจเราถอดถอนตัวเองออกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสุข ดีที่ทําอยู่ดีแล้วจิตใจช่วงนี้มีกําลังนะมีกําลังก็รู้สึกว่าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมันรู้สึกดีแล้วก็คือเพิ่งมาเพิ่งมาพบว่าเออรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วสองสาวันเนี่ยมันจะรู้สึกร่าเริงสดใสผิดปกติอะไรเงี้ยมันอารมณ์ดีเป็นพิเศษ <ừ. S 2> อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็ดูไปเฉย <ừ. S 2> แต่พอมาสองวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังดิ้นอยู่อะฮะ คือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดินแต่แต่มันคงอาจจะเริ่มชินเพราะมันเห็นหลายรอบแล้วว่านั่นแหละมันต้องเห็นมันหลายรอบมันบังคับมันไม่ได้สักทีหนึ่งนั่นแหละต้องเห็นใจเรานะมันทนไม่ได้มันอยากดีมันอยากสุขมันอยากสงบจริงจริงลึกๆมันต้องการอย่างนี้มันไม่ได้ต้องการพ้นโลกหรอกมันติดอกติดใจอยู่กับโลกแต่มันอยากสุขอยากดีอยากสงบนี่พอเราตามเจริญสติมากเข้ามากเข้าเห็นไตรลักษณ์เรื่อยๆ บังคับไม่ได้สุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วชั่วคราวหมดเลยบังคับไม่ได้สะกอันเดียเห็นซ้ำซ้ำเนละใจค่อยค่อยยอมรับความจริงใหใจมันยอมรับความจริงให้ค่มันยอมรับต่อความจริงคืออมยอมรับธรรมะนั่นเองยอมรับธรรมะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ดิน้นทุกวันเราปรารถนาแต่ความสุขความสบายความสงบ ความดีอยากได้ถาวรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเราไปอยากได้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปภาวานาช่วงนี้รู้สึกดีช่วงหนึ่งแย่อีกละพอช่วงไหนดีก็ดีใจช่วงไหนแย่ลงเสื่อมลงก็ว่าไม่ดีรุ่มใจ นี่พอมันเห็นเจเลยแล้วเสื่อมเจเลยแล้วเสื่อมซ้ําแล้วซ้ํำอีกวันหนึ่งปัญญามันค่อยเกิดเห็นเลยมันเริ่มบังคับไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้ซะกันเดียวเงี้ยพอสภาวะเกิดแล้วใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นตรงที่ใจเป็นกลางตรงนี้สําคัญมากเลยเป็นกลางเพราะมีปัญญาเรียกว่าสังขารู้เบกขายาณมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารเพราะรู้ว่าสังขา น, นั้นเป็นไตรลักษ ความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์สุขทุกข์กุศลอกุศ ล, ศลเป็นไตรลักษณ์เป็นกลางไม่ดินใจไม่ดิน้นใจเข้าถึงสันติสุขนะประตูของมรรคนิพพานอยู่ตรงที่ใจเราเมื่อรู้อารมณ์แล้วไม่ดิน้นนี่แหละการปฏิบัติในส่วนของโลกียะมีปรัสนาในส่วนของโลกียะนี่ไปจบลงตรงที่ใจมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวง มันจะเลิกดิ้นเองใช่ไหมเลิกดิ้นเองนะเพรารู้สึกว่าที่เป็นก่อนหน้านี้มีอยู่คราวสองคราวมันก็เหมือนกับว่ามันชินมันก็ไม่ดิ้นนะแต่คราวนี้มันกลับดิ้นขึ้นมาอีกเ อ, อมันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่นอนนะของเสื่อ ม, มนยังเป็นโลกิยาอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆล้วดูไปได้ดูไปเห็นแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเอาไว้ไม่ได้สักอันเดียวเห็นจนใจเลิกดิ้นนะาใจเลิกดิ้นจริงๆนะัมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็น คาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆอย่างแท้จริงครับเกิดตรงนี้สักว่ารู้ว่าเห็นเพราะปัญญาอใจมันไม่ปรุงไม่ทำงานต่อใจจะรวมเข้ามารวมเข้าปนาสมาธิรวมเองไม่ต้องเจตนารวมนะแล้วมันจะเกิดกระ บ, บวนการของอริยมรรคขึ้นใจรวมมาแล้วมันยังเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอีกสองสามขณะบางคนเห็นสองบางคนเห็นสาม แต่ใจนี้อนุโลมตามเลยใจไม่ฝืนสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเพราะไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปใจเป็นกลางอย่างแท้จริงศักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงไม่เติมกระทั่งความคิดใดๆลงไปเลย พอมันเห็นแจ้งในสภาวธรรมใจคล้อยตามความจริงคล้อยตามสัจจะยอมรับความจริงไม่ต่อต้านไม่ฝืนละอะไรก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดดับจเยาวางมันจะตัดการรับรู้ในส่วนโฮโลกียาตัดทวนกระแสเข้าหาธาตรู้ตัวนเองนะเราไม่ได้ทวนนะทวนเองทําไมมันทวนได้มันทวนได้เพราะใจมันเคยตั้งมั่น กลับเข้าฐานเข้าที่มันได้นิ้มเข้าฐานของมันโดยที่ไม่ได้เจตนาทวนเข้ามาจนถึงธาตุรู้สิ่งที่ห่อพุ้มปกคลุมอยู่ก็ถูกแหวกถูกทำลายออกจิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองขณะเมืงอสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันเสร็จแล้วมันก็จำไม่ได้นะมันจำไม่ได้ไม่แม่นหรอกจานิพพานได้ไม่แม่น จิตถอยออกมาเนี่ยมันพิจารณาทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันรู้เลยว่าตัวตนจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีมันรู้ชัดขึ้นมาเลยเวลาเราย้อนมองเข้ามาในตัวเองแต่เดิมเราเห็นว่ามีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเรารู้สึกไหมมองลงมารู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งพอเขาตัดแล้วเนี่ยดูลงมาจะกลวงๆนะไม่มีเราละ ว, ว่าง แต่ ใ, ใจก็ยังเผลอลอหลงๆโลกๆไปนั้นอีกนะสองครั้งสามครั้งถึงสามครั้งนี่มันจะไม่หลงไปโลกข้างนอกมันจะรวมเข้ามาอยู่โลกภายในรวมเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจพอรู้แจ้งจิตจริงๆปล่อยวางจิตจริงๆนะถึงจะพ้นทุกขจ์จริงๆเส้นทางเดินที่พระเจ้าให้ไว้นะดีมากเลยฝึกฝนตามไปตามไปรู้เรียนรู้ไปเรื่อยนะ ตามรู้ไปเรื่อยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้ไปเขาหมดความดิ้นรนเ้าหมดความปรุงแตง่งเขาก็เข้าถึงธรรมธรรมะก็คือความจริงนี่เข้าถึงความจรงิงความจริงฝ่ายที่ปรุงแตง่งความจริงฝ่ายที่ไม่ปรุงแตง่งเข้าหนึ่งครั้งสองครั้งใจก็ยังชินอยู่กับโลกจะถึงครั้งที่สามเนี่ยใจจะไม่อยู่กับโลกนี้แล้วใจจะไปอยู่ในโลกภายใน อยู่ความสุขความสงบของจิตของใจพอใจอยู่นั้นสุดท้ายถึงจะวางความยึดถือจิตการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะที่เรายากเพราะเราเดินไม่ตรงทางเราไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยมีศรัทธาหรือว่าอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัตินะมีแต่ความอยากนําหน้าแล้วก็ลุยทํากันใหญ่ สิ่งที่ทําไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับมรรค น, นิพพานเลยมีแต่เรื่องบังคับตัวเองข่มใจข่มกายข่มใจบังคับไปให้ได้รับความลําบากหวังว่าข่มมากๆว่าหนึ่งจะบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลยอยากบรรลุธรรมก็ต้องยอมรับธรรมะยอมรับความจริงธรรมะของกายธรรมะของใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานีดูตรงนี้มากๆ ใจเลิกดินนะ้นนั่นหละใจไม่ดิ้นก็คือประตูของการบารรลุมรรคผลถึงเวลาเขาก็ผลักประตูของเขาเองแล้วใจเราดิ้นไปเรื่อยหลวงพ่อ เ, เ, เทียนเทียบดีนะบอกคล้ายๆเราอยู่ในห้องมืดนะไม่รู้ว่าประตูอยู่ในคลำไปเรื่อยคลำไปวันหนึ่งไปโดนสลักของประตูก็เปิดแต่เกิมจริงมันไม่ได้ยะถากรรมขนาด น, นั้นนอกถ้ารู้สิ่งที่พระเจ้าสอนนะเรียนให้แม่นรู้กายรู้ใจจนเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ ขี่เบอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างคือรู้กายรู้ใจตามที่เขาเปิดรู้แล้วไม่เติมแต่งอะไรลงไปใจไม่ปรุงต่อไม่ดิน้นเราเห็นขันห้าเนี่ยปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่ปรุงแต่งขันห้าเนี่ยถึงจุดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะของการปฏิบัติขันห้าเขาก็ปรุงแต่งตามหน้าที่ของเขาเองร่างกายเขาก็ต้องเคลื่อนไหวเช่นหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุไหลเข้าไหลออกนี ร่างกายก็ทําหน้าที่ของกายเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆยสังขารก็ทําหน้าที่ของสังขารเดี๋ยวเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวเป็นอกุศลบ้างจิตก็ทําหน้าที่ของจิตวิญญาณทําหน้าที่ของวิญญาณเดี๋ยวก็รู้อารมณ์ที่ตาเดี๋ยวก็รู้ที่หูเดี๋ยวมารู้ที่ใจก็ทําหน้าที่ของเขาไม่ก้าวไก่ไม่แทรกแซงเขานะรู้ขันรู้การทํางานของขันไปเรื่อยๆตามที่เขาทํา โดยที่เราไม่เติมแต่งอะไรลงไปเพราะฉะนั้นจิตใจมันปรุงแต่งไม่ใช่ปัญหาจิตใจมีธรรมชาติที่ต้องคิดนึกปรุงแต่งเขาก็ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่แทรกแซงเขาเพราะฉะนั้นจิตปรุงแต่งไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตไม่สงบเน Ig ี่ยจิตเขาปุงความฟุ้งซ่านของเขาขึ้นมาเราก็พยายามปรุงแต่งความสงบขึ้นมาเพราะเราชอบสงบเราไม่ชอบฟุ้งซ่าน จริงๆแล้วไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าขันห้าอริชวะจิตเขาเป็นเอกเทศของเขาอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราพยายามจะแทรกแซงพยายามบังคับตลอดเวลาตัวนี้แหละทาให้เราเนิ่นช้าใจของเราเองปฏิเสธธรรมะนะถ้าเราเห็นขันเขาทํางานของเขาไปเขาไม่ใช่ตัวเรานะเขาทํางานได้เองจิตเขาคิดนึกปรุงแต่งของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทําของเขาเองนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ต้องไปพยายามแก้ไข จิตจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลนะกุศลไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลสนใจสิ่งที่ควรจะตามรู้ตามดูไปเพียงแค่ตามรู้ตามดูันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเห็นอย่างนี้อย่าไปช่วยมันทำงานเช่นจิตเกิดราคะขึ้นมาก็ไปทำงานไปช่วยมันราคะไม่ดีเริ่มให้ค่าราคะไม่ดี หาทางแก้ไขไม่ให้ราคาเกิดพิจารณาสุภาพอะไรเงี้ยเนื้อได้สมถะนะก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะถ้าดีแบบวิปัสสนาก็คือเห็นจิตมันปรุงราคะมันปรุงของมันเองนะเราไม่ได้ช่วยมันปรุงราคาบดจะมาราคาก็มาราคาบดจะไปราคาก็ไปใ น, นจิตปรุงโทสะ ข, ขึ้นมาพวกเราไม่ชอบมันมาหาทางแก้ไขเช่นพุโทโธพุธโทโธโกรธเนอโกรธเนออะไรขึ้นมา หรือจเจริญเมตตาแก้แก้เป็นคราวๆเพราะเราไม่ชอบโทสะเราให้ค่าเนยสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเราชอบให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกมาให้ค่าแล้วก็แทรกแซงแทรกแซงดัดแปลงแก้ไขแทรกแซงไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งขจัดความชั่วร้ายออกไปได้ถาวรจิตใจของเราจะได้มีความสุขได้มาผล น, นิพพานไม่ได้หรอก ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจยังเห็นเลยมันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองเมื่อไหร่เห็นว่าขันห้า ก, กายใจไม่ใช่เราเนี่แหละพระโสดาบันอะได้โสดาแล้วยังไงก็ต้องไปถึงพระอรหันต์เข้าสวรรค์นหนึ่งนันจุดแรกเลยนะสําคัญมากเลยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ชีวิตนี้ยังต่ําต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะเราได้เจอศาสนาพุทธแล้ว ถ้าตั้งเป้าน้อยกว่านี้จะเอาแค่ความสุขความสงบนะเนี่ยมากน้อยเกินไปนั่นจะเป็นโสดาบันต้องรู้พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นตัวเราละความเห็นผิดได้เพราะเห็นความจริงว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงได้เมื่อคอยรู้กายเมื่อค่อยรู้ใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาตัวที่แทรกแซง น, นั่นตัวสําคัญงั้นพวกเรานักปฏิบัติเนะี่ยที่ไปไม่รอดเนี่ยจุดแรกเลยไม่รู้กายไม่รู้ใจ ที่สอพอรู้กายรู้ใจแล้วแทรกแซงมันไม่ได้รู้ตามที่มันเป็นเราก็เลยไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเมื่อเป็นไตรลักษณ์ไม่สามารถละความเห็นผิดได้ฉั้นมาเรียนที่หลวงพ่อนะสิ่งแรกที่หลวงพ่อพาให้ศึกษาก็คือทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ศึกษาเมื่อไรมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจตัวเองได้พอรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซง รู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปโกรธนอโกรธนอให้หายโกรธนะต้างโกรธเกิดขึ้นมาดูลงไปเลยจิตเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่นะเราไม่ปรุงแต่งอะไรต่อเราตามรู้ตามเห็นไปความโกรธก็ดับไปให้ดูเกิดแล้วก็ดับให้ดูนี่เห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเห็นของจริงส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยจะพลาดอยู่2จุดจุดแรกไม่เห็นรูปเห็นนามตัวจริง ไม่ได้ดูกายดูใจจริงๆ จ, จุดที่สองพอมารู้กายรู้ใจแล้วชอบไปเพ่งใส่เหมันชอบไปควบคุมไปบังคับมันไปดัดแปลงมันไม่ได้รู้ตามที่มันเป็นจุดนี้สําคัญนะนะักปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดอยู่ตรงนี้เลยที่หลายคนบอกภาวนาหลายปีไม่บรรลุมรรคผลสติบรรลุไม่ได้เพราะชอบแทรกแซงไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอกแต่แทรกแซแงนะเราเคยเดินธรรมดาแล้วก็เดินไม่เหมือนธรรมดา เคยหายใจธรรมดาก็หายใจไม่เหมือนธรรมดาจิตใจเคยสุขบ้างทุกบ้างก็จะไปบังคับมันจิตใจเคยดีบ้างชั่วบ้างก็จะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งจะเอาดีจะเอาละชั่วแล้ใจเราวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของเขาความจริงนอะไรคือธรรมะถ้าเรียนเพื่อเอาามจริงนั้นก็คือเรียนเพื่อได้ธรรมะ ถ้าเรียนเพื่อความสุขถาวรความดีถาวรความสงบถาวรเรียนเอาของไม่จริงความสุขถาวรในสังสารวัตไม่มีนะความดีถาวรในสังสารวัตก็ไม่มีคําว่าถาวรในสังสารวัตรไม่มีงั้นเราภาวนาแทบลมแทบตายเราก็จะพบว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายเมื่อไหร่นะจะสงบถาวรเมื่อไหร่นะจะดีถาวรนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะ แต่ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนรู้เออมันของไม่ถาวรเนาะมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองนี่แหละเข้าใจศาสนาพุทธละวนี่จุดที่หนึ่งเลยเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเป็นละสักยัตทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ตามรู้ตามดูต่อไปก็จะเห็นเลยถ้าเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดในกายในใจนี้ก็ไม่ทุกข์นี่ก็เป็นปัญญาระดับกลางๆลา ถ้านาคามีก็เห็นได้ขนาดนี้จะเห็นเลยถ้าใจตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปไม่ห ล, ไไลงไปนะ่ะไม่ทุกข์ใจไหลไปอยากใจไหลไปยึดใจจะทุกข์อนี้รู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองแต่ถ้ามันไหลไปแล้วมันจะทุกข์ถ้ามันไม่ไหลไปไม่ทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้เจอทั้งวันหนึ่งปัญญาแจ้งเลยตัวจิตตัวใจนี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่ามีความอยากมีความยึดแล้วถึงจะทุกข์นะ ตัวมันนั่นแหละตัวทุกนี่เข้าใจยากที่สุดเลยการที่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกนั่นเป็นภูมิปัญญาของพระอรหันต์นะงั้นอริยสัจสี่ท่านถึงสอนนี่ยตัวทุกนี่ทุกขสัจข้อแรกเลยอะไรคือทุกขขันห้าคือทุกขพวกเราไม่สามารถเห็นว่าขันห้าเป็นทุกขอย่างกายนี่เราก็จะรู้สึกเลยร่างกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างจิตใจของเรารู้สึกไหมจิตใจของเราทุกบ้างสุขบ้างเราจะรู้สึกอย่างนี้ ตามใดที่ยังรู้สึกอย่างนี้เราจะดิ้นรนหาความสุขไม่เลิกหรอกเพราะยังมีทางเลือกแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจให้ถึงที่สุดจริงๆแจมแจ้งจริงๆหนงเลยเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนลนะ้วนจิตใจก็ทุกข์ล้วนๆวนถ้าเห็นถึงจิตใจเป็นทุกข์ล้วนลว น, ลวนมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตนะมันจะหมดความอยากที่จะให้จิตนี้มีความสุขหมดความอยากที่จะให้จิตพ้นทุก หมดความอยากที่จะให้จิตดีหมดความอยากที่จะให้จิตเลิกชั่วหมดความอยากเนี่ยเพราะงั้นถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกร่วนๆความอยากที่จะเอาดีเอาสุขอะไรก็จะหมดไปความอยากที่จะหนีชั่วหนีทุกก็จะหมดไปรู้ทุกข์แจมแจ้งนั่นแหละละความอยากละสมุทัยได้พระเจ้าถึงสอนธรรมะเริ่มจากทุกข์ก่อนให้รู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่นะ สมูทัยจะถูกละอัตโนมัตินี่พวกเราก็เข้าใจธรรมะได้ระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์สมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นในมุมเดียวเราเห็นปฏิจจสมบัต ท, ท่อนปลายมีตัณหาอุปาทานขึ้นมาก็มีทุกข์ขึ้นมาแต่เรายังไม่สามารถเห็นปฏิจจสมบัทส่วนต้นที่ว่าถ้าไม่รู้ทุกข์หละจะเกิดสมูทยัย ถ้าเราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์มันจะเกิดสมุทยัยคือเกิดความอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขถาวรนั้นธรรมะของท่านลึกนะอริยสัจสี่นะลึกที่สุดเลยสมัยพุทธกาลสามเดือนก่อนปรินิพพานในพระสูตรบอกไว้เลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงรายวันเลยนะแสดงเป็นส่วนมากนะคืออริยสัจนี่เอง พระเจ้าถึงขนาดพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังต้องเวียนไหวตายเกิดอีกคือตราบใดที่เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าไม่รู้แจ้งทุกถ้าเราเห็นว่ามีความอยากมีความยึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ก็ไม่เรียกรู้แจ้งสมุทัยนะอย่างคนทั่วๆไปในโลกเนะี่ยก็จะรู้สึกตื้นตื้น รู้สึกว่ามีความอยากยังไม่ทุกนะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกคนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปรู้สึกอย่างนี้อยากได้แล้วไม่ได้ถึงจะทุกนะนี่ตื้นที่สุดพอพวกเราภาวนารู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะเห็นเลยแค่จิตเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ละมันมีความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะดิ้นดินความทุกข์เกิดแล้จะสมอยากหรือจะไม่สมอยากก็ทุกนี่ระดับกลางกลางนะความรู้ แตระดับสุดท้ายเลยที่จะเข้าใจแจ้งเลยก็คือจิตใจนี้แหละจะมีความอยากจะมีความยึดหรือไม่ก็ตามจิตใจนี้แหละคือตัวทุกนี่เรียกรู้ทุกนะถ้ารู้ทุกแก่แจ้งเมื่อไหร่มันจะสลัดจะปล่อยวางความยึดถือจิตออกไปมันจะคืนจิตให้โลกนะคืนจิตให้ธรรมชาติไปเพราะฉะั้นความอยากความดิ้นรนที่จะให้จิตใจเป็นสุขความอยากความดิ้นรนที่จะให้จิตใจพ้นทุก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติ เราคืนเข้าไปแล้วจะไปอยากมันทําไมไม่ใช่ของเราเลยงั้นที่ว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในรูปในนามในกายในใจเมื่อไหร่ปล่อยความยึดถือในจิตในใจได้ก็พ้นทุกข์จริงๆแล้วพระเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นภาระเป็นทุกข์คนที่แบกของหนักเป็นขันห้าเป็นของหนักเป็นภาระคนที่แบกของหนักเนี่ยนะไม่ฟ้นจากทุกข์ พระอริยะเจ้าหมายถึงพระรหันนะพระอริยะเจ้าเนี่ยวางของหนักลงไปแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกถึงจะพ้นจากทุกข์พวกเราภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนี่จะเห็นเลยทันทีที่เราตื่นนอนนะเราจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาหมอดูออกไหมขึ้นมาตื่นนอนพวกจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนเลยเอามาดูกลัวโง่กลัวไม่บรรลุไปหยิบขึ้นมาไม่หยิบเปล่านะหยิบแล้วขยําด้วยขยําขยี้มันตลอดเวลาเลยนะมีตันหาขึ้นทีขยี้ทีขยี้ที คือตัวมันก็เป็นของหนักอยู่แล้วนะป็นขยี้มันอีกมีทุกข์ซ้ําซ้อนถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติมันจะวางมันจะไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกพอไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกมันก็ไม่รู้จะดิ้นรนหาความสุขไปให้ใครอีกต่อไปแล้วไม่มีผู้จะสุขต่อไปแล้วไม่รู้จะดิ้นรนหนีความทุกข์ไปทําไมเพราะไม่มีผู้จะทุกข์อีกต่อไปแล้วเหลือแต่ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะขันมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ เอาไมโครโฟนนะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงในสภาวะที่เราเราหลงไปเราคิดไปเนี่ยสภาวะนี้มันก็จิตมันก็ไม่มีน้ำหนักเหมือนกันใช่ที่จริงมันมีแต่ไม่เห็นมันไม่เห็ น, นลืมลืมกายลืมใจตัวเองรัฐธรรมดาของจิต ร, รู้ว่าลมได้ครั้งได้อย่างเดียวครับมาไปรู้เรื่องที่คิดก็ลืมกายลืมใจ <c oughs> อย่างบางคนนะยุงกัดอยู่เี่ยถ้าอยู่ปกติก็รู้สึก ถ้นั่งคิดอะไรเพลินๆอนยู่มากัดสิบตัวยไม่รู้สึกเลยมันไม่เจ็บด้วยซ้ํำไปมันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บนะเงั้นการที่เราหลงไปคิดนั่นแหละศัตรูใหม่เลขหนึ่งเวลาเราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองกันหลังๆการต า, ตามดูจิตเนี่ยความรู้สึกผมเหมือนเป็นภาระเป็นอะไรนะมันเป็นภาระเป็นภาระเพราะว่าเรายังจงใจดู สติต้องเกิดเองถ้าสติเกิดเองจะไม่รู้สึกเป็นทาระถ้าไม่ถ้าไม่จงใจดูความไม่มั่นใจก็มีว่าว่าเรารู้หรือเปล่าของคุณมันยังไม่ใช่สติแท้ๆนะจิตคุณยังติดสมถายังติดอยู่ค่อยๆดูไปพอเข้าใจใไ ม, ใจมี่มัยังติดไม่เลิกตราบใดที่จิตยังตรึงความรู้สึกเอาไว้อยู่ มันจงใจปฏิบัติอยู่เหนื่อยพยายามจะรู้สึกตัวเหนื่อยนะพยายามรู้สึกตัวนี่เหนื่อยแต่ถ้าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองนะมีความสุขไม่เหนื่อยปฏิบัติใหม่ๆโอ้ยเหนื่อยเหมือนหัดขับรถยนตนะ์่ะอย่างเราไม่เคยขับรถยนต์เราเห็นเขาขับรถยนตนะ์คงจะสบายกว่าเดินไปซื้อรถยนต์มาหัดขับทีแรกรนะรู้สึกคิดผิดนะเดินสบายกว่าตั้งเยอะเลย เราขับรถเป็นแล้วก็รู้เออขับรถแล้วสบายกว่าเดินก็กลับมารู้สึกนี้อีกคนที่ไม่เคยภาวนานะเห็นครูบาอาจารย์ดูมีความสุขเหมือนเห็นคนอื่นเขาขับรถดูมีความสุขเราไม่มีความสุขเท่านั้นเรามาหัดปฏิบัตินะมาหัดเหมือนหัดขับรถอ่ะเหนื่อยนะต้องทนเอแต่ถ้ารู้หลักนะเรียนอย่างมีหลักมันก็ง่ายหน่อย เรียนแบบสู้ตายมันก็ปางตายกว่าจะผ่านของคุณยังติดสมถะนะไปดูต้องทนเอานะแต่ไม่ใช่ทนทุกทรมานนะทนสภาวะทนอดทนที่จะคอยรู้คอยดูใหม่ๆมันก็ลำบากเหนื่อยพอเหนื่อยคุณก็กลับมาพักผ่อนทำสมถะพอจิตใจได้พักผ่อนจิตใจสบายแล้วกลับมารู้กายมารู้ใจใหม่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ ท่านสอนสมาธินะพอจิตใจเราสงบเช่นเราพุโทโธหรือหายใจจิตใจสงบแล้วมักจะขี้เกียจขี้คลานเพราะมีความสุขท่านจะไล่ให้ออกมาพิจารณา ก, กายหรือออกมาเจริญสติข้างนอกนี่คนที่ติดในความสุขความสงบพอต้องออกมาทำงานนี่ไม่ชอบนะมันเหนื่อยเหนื่อยมันคล้ายๆเรานอนมานานแล้วเลยขี้เกียจออกจากบ้าน พอออกมาแล้วรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราออกมาทำงานไปเรื่อยๆบางทีทำงานไปช่วงหนึ่งเพลินกับ ง, งานไม่ยอมพักละคราวนี้เพลินกับ ง, งานครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าไปเพิ่มสมถะหน่อยช่วงนี้ทำความสงบบ้างพักบ้างให้จิตทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ดีไม่มีแรงในการปฏิบัติทำคล้ายๆขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรก ขาที่เหยียบพันเร่งกับขาที่เหยียบเบรกขาเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เหยียบคันเร่งพร้อมกับเหยียบเบรกบางเวลาเราก็ต้องทำความสงบเข้ามาบางวันสงบมากแล้วนะก็ต้องออกมารู้กายรู้ใจฝืนฝืนมันมันไม่อยากดูไม่อยากรู้เพราะว่ามันไม่สบายเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าเคยอ่านไหย ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นว่าช่วงแรกๆไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นเช้าๆหลวงปู่มั่นจะถามว่าท่านทำท่านมาหาภาวนาเป็นไงท่านบอกมีความสุขความสงบทุกวันรายงานนี้นานๆไปหลวงปู่มั่นท่านก็ดุเอาว่าเอาแต่ความสุขความสงบไม่ได้ให้ออกมาพิจารณาออกมารู้กายมารู้ใจอะไรก็รู้ไปเถอะนี่พอท่านออกมาพิจารณาท่านเริ่มต้นด้วยพี่นา ก, กายพี่ณาไปด้วยแล้วก็เพลิดเพลิน เช้าๆหลวงปู่มั่นมาถามอีกท่านก็บอกมูนี้มีปัญญาดีจเจริญปัญญาทุกวันนะพูดแต่เละเจริญปัญญานะลืมสมถะอีกท่านบอกจิตของท่านมันโลดโผนเพราะงั้นเราก็ต้องดูตัวเองนะช่วงไหนควรเจริญปัญญาช่วงไหนควรทําสมถะสมถะเป็นที่พักผ่อนนะที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีบางคนได้ยินหลวงพ่อพูดจเจริญสติในชีวิตประจําวันนั่นนึกว่าหลวงพ่อบอกไม่ต้องทําสมถะ เราทําเท่าที่เราทําได้บางคนทํำยังไงมันก็ทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไว้ก็ยังดีนะได้สมถานิดๆหน่อยๆการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกนะค่อยๆสังเกตสิ่งที่ช่วยเราได้มากเลยมีสองอันอันนึงคือครูบาอาจารย์เรียกว่ากัลยาณมิตรอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคือโยนิโสมนัสิการเราต้องแยบคายในการพิจารณาตัวเอง อย่างอาจารย์นองเคยภาวนาดีๆต่ามาไปทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าไม่แยบขายก็รู้สึกว่ามูนี้จิตสว่างดีจิตโปร่งดีรู้สึกนั้นใช่ไหมจิตโปร่งดีจิตสว่างดีถ้าแยบขายจะรู้ว่ามันไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นพอแยบขายในการรู้ตัวเองหรือหลวงพ่อเคยภาวนาจิตรวมลงไปถอยออกมาเนะว่างหมดเลยโลกกาธาตว่างหมดทุกวันก็ว่างอยู่นั้นนะ่ะนะ หลายหลายวันมันมองได้อีกเราแยบคายแล้วก็ดูไม่ใช่ของจริงหรอกอย่างเสื่อมหนึเป็นของเสื่อมไม่ใช่ของจริงเสียดายเสียดายหมเสียดายแต่ต้องทิ้งก็ไม่ใช่ของจริ ง, า ม, า ง, ง, ม, ง, รงมาเริ่มต้นใหม่ทำความสงบขึ้นมามารู้กายมารู้ใจเอาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยทาไปเรื่อยทำไปทาไปนึกว่าดีอีกแล้วดูไปหลายวันไม่ใช่อีกแล้วใช่เริ่มต้นใหม่ นับหนึ่งอยู่เรื่อยๆนะการปฏิบัติกว่าจะสบายมันก็ร่มลุกรุกครานทุกคนเลยนี่ถ้าเราท้อแท้ถอดใจเรารู้สึกแค่นี้สบายแล้วยังจันลนองเอาใจไปไว้ข้างหน้าี้ชาตินี้สบายแล้วชาติหน้าก็ยังสบายอีกก็อยู่พรหมโลกแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่โ้นกลับมาอีกเนี่ยต้องแยบขายนะแล้วต้องใจถึงถ้าไม่ใช่ของจริงก็อย่าไปห่วงมัน ดูมีอาการตุกกะรู้สึกไหมใจของพวกเราขยับไปหมดแล้วรู้สึกไหมขยับเยื่อนให้รู้นะไม่ใช่ไปเพ่งให้นิ่งแต่มันขยับเยื่อนเคลื่อนไหวค่อยรู้เอาใครเห็นไปเลยมันทํางานของมันได้เองขยับขยื่อนนิมนต์ครับท่านอาจารย์มันเขาากาดเขาอากาศพุกยงนะ จันวิวัฒผสมท่านเขียนหนังสือเยอะนะนีอ้อ้าใครรู้สึกดีใจบ้าง <c oughs> ร, รู้เอานะรู้เเห็นไหมส่วนใหญ่ในห้องลืมตัวเองไปแล้วใจไปอยู่กับอาจารย์วิวัฒแล้วรู้สึกไหมเรื่องหัดรู้อย่างนี้นะใจมันหนีเห็นไหมมันทํางานของมันไม่ได้ฝึกไม่ให้หนีนะไม่ได้ฝึกให้หนีไม่ให้หนีแล้วความหนีไปแล้วรู้ไว จิตใจนี้มีธรรมชาติที่พิกนอยู่อย่างชอบหนีไปเที่ยวแล้วไม่ได้หนีธรรมดานะหนีไปเอาขยะเข้าบ้านหนีไปเก็บขยะเข้าบ้านนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะพี่อ้วนเป็นไงอ้วนมันเฉยครับอะไรนะดูมันเฉยเฉยไงไม่ส้มันติดเฉยนิดหนึ่งนะมันตรึงให้นิ่งมีการตรึงให้นิ่งขึ้นมานะตอนหน้านี้มันปล่อยนะมันเป็นอิสระ ตามรู้ตามดูซึ่งเป็นตอนมาวัดเนี่ยครับเอ๋อเป็นตอนเพรากลัวหลวงพ่อเลยไปเพ่งเอาไว้อยู่บ้านขี้เกียจดูหรือเปล่ามือดูประจำดูประจำครับงั้นมากลัวอะไรหลวงพ่อ <c oughs> บางทีเหมือนมันมันเหนื่อยอะครับอื <c oughs> เออมันเหนื่อยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยพราะเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยอ ม, มันจิตมันสวิงไปสวิงมาแล้วมันก็ตามรู้แล้วมันก็เหนื่อยตามรู้ไม่ไหวก็ทําความสงบมา ทำความสงบอะไรไม่เป็นนะท่องพุโทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยพุโทโธพุธโทโธให้ใจสบายนะหรือคิดถึงบุญถึงกุศลอะไรที่เราเคยทำก็ได้หรือเราคิดถึงเจริญเมตตาก็ได้มองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยใจที่เป็นมิตรอย่างบางคนร้ายกับเรามากชวนโมโ oh หทุกวันลองปรับมุมมองนิดนึงมองจักว่าถ้าถ้าเราเป็นเขา เขเรียกอะไรนะคนโบราณเนียเอาใจเขามาใส่ใจเราคือมองทุกอย่างด้วยมุมมองของเขาบ้างบางทีเข้าใจก็ไม่โมโหเดี๋ยวเจริญเมตตาไว้สบายหมอกกับอ้อนนะจะหลังๆเหมือนจิตมันไม่ค่อยไปมันไม่ค่อยมันช่วงก่อนมันเบื่ อ, เ บ, อเบื่อทุกอย่างในโลกแล้วก็อยู่มันก็หายไปแล้วมันก็ไม่ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรสักเท่าไหร่อย่างนั้นแหะดูไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ซึมนะ ตอนนี้ ใ, ใจซึมเยอะไปนิดหนึ่งมันมาวัดแล้วมันสบายครับไม่เอาอย่าไปอยู่กับมันนานๆเดี๋ยวซึมคือในเวลาที่เราเจริญสติไปเรื่อยๆนะเห็นโลกธาตุนี้น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกข์ก็น่าเบื่อกุศลนะกุศล น, น่าเบื่อหมดเลย ใ, ใจก็นิ่งๆขึ้นมาฝันใจนิ่งๆโดยนี้อย่าปล่อยให้ซึมทําความรู้สึกไปเรื่อยๆเบื่อแล้วมันไม่ใช่ซึม เบื่อแล้วมันต้องมีความสุขเบื่อแล้วมันเหมือนมันมีช่วงหนึ่งมันพยายามมันเบื่อจนทนไม่ได้ฮะมันเบื่อจนจนต้องหนีต้องลองแยกแยกความเบื่อต่อไปความเบื่อกับจิตเนี่ยโคนละอันกันไปดูไปดูไ ป, ไปไง่ายพอความเบื่อกับจิตโคนละอันนะจิตจะถอด ถ, ถอนออกมาความเบื่อก็กระเด็นออกไปอยู่ข้างนอกมันได้แวบเดียวครับเออก็ทีละแวบนะเนี่ยซ้ําไปอย่างเงี้ยดูไปเรื่อย จะไปแล้วเห็นเลยเราบังคับจิตไม่ได้จิตใจเองก็เป็นของบังคับไม่ได้มันกระาำเบื่อกระเด็นออกไปแวบหนึ่งเดี๋ยวเข้าใหม่ละไล่ก็ไม่ไปนะบังคับไม่ได้มันเหมือนคือถ้ามันจะไปมันจิตมันต้องมีกําลังก็ไม่ไล่มันเราจะดูเพื่อให้เห็นว่ามันทํางานได้เองดูไปเรื่อยเสร็จละใจมันจะสงบลงมาตั้งมั่นนะเป็นกลางเป็นกลางแบบมีความสุข ไม่ได้เป็นกลางแบบแห้งแล้งนะเป็นกลางแบบแห้งแล้งมันยังค้างค้างอยู่กลางทางภาวนารูปคำวิปัสสนาเนี่ยถึงช่วงหนึ่งบางคนจะเกิดความเบือ่อเบื่อทุกอย่างนะไม่ใช่เบื่อทุกไม่ใช่เบื่อกิเลสแต่เบื่อทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยบางคนก็รู้สึกน่า ก, กลัวโลกนี้น่า ก, กลัวหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยบางคนรู้สึกโลกนี้ว่างเปล่าไร้สาระ หาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้เลยเนี่ยช่วงความรู้สึกเหล่านี้เป็นช่วงที่อยู่กลางๆของการปฏิบัตินะเป็นช่วงกลางทางให้เรารู้ต่อไปความรู้สึกทั้งหมดเป็นของแปลกปลอมเข้ามาใจก็อยู่ต่างหากนะจะไปค่อยดูไปเรื่อยเราเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้นี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือจะดับไปเราก็ห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้เราไปใจมันมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ปัญญา ปัญญาแก่รอบพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันทํางานของมันเองเลยคราวนี้ใจจะสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเป็นกลางจริงๆมันมันเหมือนมันไม่ค่อยมันไม่เกาะเกี่ยวมันไม่อะไรเลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันไปเกาะสภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมาแทนสภาวะทื่อๆเมาเห็นไหมเออเลื่อนไปเกาะอีกอันหนึ่งแทนไปเกาะของที่ไม่ควรเกาะ แต่ว่ามันเป็นทุกคนแล้วมันอยู่กลางทางตรงเนี้ยถัดอย่างนี้ปลายใจถึงจะเข้าสู่ความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจริ ง, งใจเข้าถึงความเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงบางทีบางคนสั้นนิดเดียวเลยตรงนี้สั้นนิดเดียวก้าวกระโดดต่อไปแล้วคุณเฉลิมพงศ์เป็นไงช่วงนี้ก็พอดีขึ้นนะครับอาจารย์จิตเป็นไงบ้างคุณเฉลิมพงศ์ขณะนี้เป็นไง ก็มีหลงไปคิดบ้างนิดหน่อยนะครับดูสบายๆนะเดี๋ยวผมดูแบบสบายๆ บ, บางครั้งเราเหมือนเราไปตะลุมบอลกับโลกมากที่มันบอบช้ำกลับมาบอบช้ำกลับมาเนี่ยเป็นวิบากต้อใช้เวลาค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆคลายออกค่อยสบายขึ้นเวลาเราไปตะลุมบอกลกับโลกบองคนทำงานหนักคิดมากอะไรอย่งนี้ จิตใจมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่พอเรารู้เราเห็นไปนเรื่อยมันค่อยกลายออกแลค่อยสบายขึ้นมาดีแล้วคุณจะหลงพงจิตใจดีกว่าดีขึ้นละตั้งมั่นขึ้นมานะอ่ะช่วยส่งไมไปไหนก็ได้ไปสมมาก็แล้วกันนะได้ไม่หมดทุกคนหรอกเขาอากาศหลวงพ่อครับผมรู้สึกจิตใจมันเห็นนีใจมันเป็นเลยนะ อเห็นมันจับจดครับเห็นเลยเห็นมันจับจดไปทั่วเลยครับอ๋อก็ให้รู้เฉยๆเห็นแม่นทํางานเองครับเอาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอกไม่ได้ฝึกให้อยู่ด้วยนะครับผมเข้าใจครับแต่ถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วเลอะเทอะมากก็ทําความสงบพับผ่อนครับผมพอจิตใจสงบพอสมควรพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาทํางานใหม่ตรงที่เราเห็นจิตฟุ้งซ่านนั้นแหะ ทำงานไปได้ถ้าเราเข้าใจนะ <c oughs> ก็คือมันแสดงตรลักษณ์ตลอดเวลาอย่างตอนเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมครับนี่วูบเดียวครับอืมเนี่ยก็แค่รู้นะไม่ห้ามหรอกไม่ห้ามปล่อยให้เขาทางานไปแล้วตามรู้ตามดูไปเรืยใช้ได้อยู่นะที่ทำถ้าใช้ได้เนี่ผมไปฮึ <c oughs> อออยากอไปเข้าโรงเรียนเลยได้ไหมครับอะไรเนะ ขอไปเข้าโรงเรียนได้ไหมครับโรงเรียนที่ไหนเยลยไอโรงเรียนแถววัดครับเป็นยังไงจะไปบวชเหรอครับผมจะบวชแบบมีกําหนดหรือเปล่าไม่ครับไม่กําหนดศึกใช่ไหมเดี๋ยงงี้เออคงคงงไม่ศึกครับรออีกนิดหนึ่งรออีกไหนรออีกนิดหนึ่งอ๋อได้ครับให้มันสบายกว่านี้หน่อย ให้มันสบายกว่านี้ก่อนคือภาวนาให้มันคล่องแคล่วในบวชแล้วลําบากนะเคยบวชแล้วครับเคยบวชมารอบหนึ่งแล้วครับลําบากมันมีหลายอย่างนะที่ไปติดสมถะง่ายๆวัดที่ไปนี้ท่านท่านให้ออกแรงเยอะอยู่ครับค ง, คงไม่ติดสมถะเหรอเไปที่หหไหนล่ ะ, ละจะไปบวชทัดไหนวัดที่เกาะสีชังนี่ครับวัดท่ยานำใยปิกนี่ครับ ไม่รู้จักใช่วหมคือถ้าดูใจเรานะหลวงพ่อใช้วัดตัวเองอย่างนี้นะว่าแต่ก่อนเคยภาวนาใหม่ๆก็อยากบวชอยากบวชรู้สึกใจร้อนร้อนจะบวชใจร้อนร้อนจะบวชรู้สึกทําไมอยากบวชคิดว่าบวชแล้วมันจะดีบวชแล้วมันจะดีมันจะสุขมันจะสงบมันจะดีมันจะภาวนาง่ายบวช ด, ด้วยความคาดหวัง ใจอย่างนี้ยังไม่พร้อมจริงอะ่ะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกนะบวชกับไม่บวชเสมอกันนะเราไม่มีธุระทางโลกแล้วเราเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วอันี้เราพร้อมจะบวชจริงๆอผมก็ไม่ค่อยอยากบวชครับมันห่วงของกินของเล่นนะครับคร <laughs> าวนี้ภาระทางบ้านก็ไม่น่าจะมีแล้วแล้วคราวนี้ที่อยากไปเพราะว่าอาจารย์อายุมากกว่าพ่อแม่ครับคงจะเชื่อฟังมากกว่า หวังจะให้ให้ให้แม่มาอยู่ด้วยแบบนี้ครับอเอาเสียเอาถึงงั้นก็แล้วนู่นไม่บวชเหรอที่นั่งด้วยกันไม่ครับ อ, อผมไม่แบบไม่ได้ศึกษาอะไรเต็มที่ครับแค่เวลาอยากรู้แค่ว่าเวลาผมเนี่ยเวลาฟังวัดไปวัดธรรมะทางอะไรเนี้ยคือว่าชอบคิดอะครับชอบสนุกกับการที่รู้ตามจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็เลยอยากรู้ว่าเป็นความรู้สึก ย, ยังไงครับ ชอบแบบว่าพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเห็นเรารู้เรารู้ลุงี้เราสนุกอะครับเราสนุกครับสนุกสนุกครับก็ดีแล้วนี่สนุกครับแค่นั้นเองครับก็เลยแต่ว่าไม่ได้ยึดติดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับต้องไปบวชต้องไปอะไรครับก็ยังสนุกดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับเวลาเราสนุกสนุกในการดูจิตไหมสนุกครับสนุกเออนั่นแหละอย่างนั้นอะดีสนุกแต่พวกผมไม่ได้ยึดติดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าจะต้องพี่พี่เขาแนะนํามาก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่า มันเป็นอะไรองีเท่านั้นเองครับที่ดูอยู่นะใช้ได้นะที่ดูอยู่นะใช้ได้ดูไปตามธรรมดาแนละมันมันเหมือนน้ําบุญบ้างไฟพญานาคครับพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาครับเออเราก็จะเห็นมันพุ่งโกรธเราก็เห็นเราหลงเราก็เห็นอะไรเงี้ยครับก็เห็นแล้วก็สนุกดีอะครับก็ดีแล้วสนุกอะดีแล้วเห็นถูกแล้วดูไป่อๆนะ แล้วสนุกให้นานก็แล้วกันนะสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเสนุกมันก็วูบๆขับรถอยู่อย่างนี้ก็สนุกพอว่างๆก็สนุกคิดแล้วก็สนุกตามตามไปเรื่อยครับเอมรู้เห็นปุ๊บเราก็สนุกเอ๊ะจะไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยพอขึ้นแล้วก็มีคิดอย่างอื่นอีกคิดคิดต่อไปเรื่อยครับแต่แต่ถ้าเกิดหยุดที่จะให้เขาหยุดนะครับหยุดคิดเราก็จะแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยครับแล้วพยายามบังคับเมื่อไหร่ก็จะแน่นเมื่อนั้นก็เลยตามไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่เครียดหรอก ตามดูไปเรื่อยๆดีแล้วครับอ่ะไปว่างไงว่างไงตกลงอย่าบวชดกด็ลองดูดินะลองเดินครับแต่เวลาบวชนะหลวงพ่อแนะนำนิดนึงเวลาบวชนี่ยอย่าคิดนะว่าเราจะไปเร่งปฏิบัติได้ง่ายๆหลวงพ่อตอนบวชนะวันที่บวชนะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นปลาตัวโตๆนะจะถูกเลี้ยงไว้ในที่แคบๆตั้งนานแล้ว วันนี้หลุดออกมาทะเลได้ล้วดีใจต่อไปนี้จะได้เร่งความเพียรเร่งสเปอยู่เดือนครึ่งเนี่ยเดินจงกรมทั้งวนันทั้งคืนนะเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านชอบเดินก็เดินอย่างท่านบ้างจนวันหนึ่งก็มาพบความจริงว่าเราเร่งความเพียรไม่ได้หรอกถ้าตราบใดที่เรามีสติเราคอยตามรู้ตามดูได้แล้วมันเร่งมากกว่านั้นไม่ได้ คอยรู้คอยดูเพียงแต่ว่าการบวชถ้าเราไม่มีภาระออื่นนะเราตามรู้ตามดูตัวเองดูกายดูใจได้ทั้งวันสะดวกแต่ถ้าเราหวังว่าบวชแล้วจะเร่งความเพียรให้ยิ่งกว่านี้อีกนะบางทีเร่งไม่ขึ้นนะยิ่งเร่งเร่ ง, ร ง, รงความเพียรครับผมหลวงพ่อเดินจงกรมหามลุ่มหามค่ำเลยอยู่เดือนครึง่งวันหนึ่งนะบ่า ย, ายวันนึงหมดเรี่หมดแรงแนละ้วเหนื่อยจังเลย มองไปนอกวัดตอนนั้นอยู่เมืองกาญเห็นภูเขาสามลูกภูเขามันเรียงกันสามลูกสวยเชีเยวดูไปภูเขาทั้งสามลูกนี่ไม่มีน้ําหนักใจเรามีน้ําหนักเหมนที่คุณรู้สึกมันมีน้ําหนักอ่อเราเร่งความเพียรนะรู้ไลยเออนี่ไม่ใช่ละทําผิดละไปลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วมานั่งดูไม่เดินมันละนั่งดูมันนะทางใครทางมัน นั่งดูไปก็ไปได้ง่ายๆนะลองดูก็ได้ครับผมแต่การบวชไม่ใช่โซลูชันนะแค่คเปลี่ยนคแค่เปลี่ยนเครื่องแบบมันก็ไปเจอปัญหาอย่างอื่นต่ออยู่กับโลกก็เจอปัญหาแบบโลกโลกนะไปอยู่ในวัดก็เจอโลกอยู่ในวัดอีกแหละอ่ะไปไหนต่อไปเขาคุณมันยังติดบังคับตัวเองอยู่นะครับ ออที่หลวงพอ่อเป็นบังคือครเรื่องนี้แหละ <c oughs> พูดตรงๆคือพอไปบวชเดี๋ยวจะเป็นบังคับมากกว่าเก่าเรระวังตรงนี้มีครูบาอาจารย์คอยเบรกมายเยอะครับนี่อาจารย์ดูให้ก็ดีคนติดสมถานะนะการบวชนี่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะมีเวลายเยอะเดี๋ยวจะเพ่งเยอะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเพ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรจะค่อยคลายออกได้อ่ะไปส่งตอไป ได้เวลาอีกนิดหนึง่งได้อีกสองสามคนเองใครจะคุยเชิญมีไหมยกมือเลยเส่งไปเลยส่งไปอตอนนั่งสมาธิครับหลวงพ่อแล้วก็บริกา ร, รพุทโธไปทีนี้มันจะเห็นว่าขณะที่รบริกรรมอยู่สักพักหนึ่งใจมันก็จะไหลไปคิดเรื่องอื่นโดยที่เราจะลืมพุทโธไปเลยแล้วพอสักพักเราก็นึกขึ้นได้ก็กลับมาต่ อ, อทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเรารู้สึกเหมือนว่า พูโทรก็พโทรอยู่คิดก็คิดอยู่เอมันจะซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นอะมันเหมือนความฟุ้งซ่านอ่าเหมือนมันฟุ้งซ่านคือไม่รู้ที่ที่ดูอยู่อย่างนี้มันผิดทางหรือว่ายังไงหรือเปล่าครับดีแล้วหัดไปอย่างนั้นแหละนะดีแล้วหัดพูดโทรไปเลยได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะมันเริ่มเห็นสภาวะแล้วอย่างมันซ้อนกันขึ้นมาเราก็เห็นมันซ้อนกันขึ้นมาแล้วมันก็จะสลับเออมันสลับเราก็เห็นว่ามันสลับไปใช้ได้ ปฏิบัติเพื่อให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรนะเรารู้สึกว่าหลังจากมาฝึกแบบนี้มันมันมันมันดีขึ้นกว่าเก่าที่ก่อนหน้าเนี้ครับใจมันเริ่มตื่นละเริ่มรู้สึกตัวแล้วรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับแต่ก่อนมันจะหนักหนักแน่นแน่ใช่ครับมันจะหนักแล้วมันจะเหมือนไปเฝ้าอที่จะเครียดครับพอนาแล้วเครียดนี่ผิดเลยนะจิตที่ไปกุศลต้องสบาย อ่ะคุณผู้หญิงนันส่งไปข้างหลังจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราคิดว่าเรารู้กับเรารู้จริงๆเนี่ยแยกกันยังไงคะถ้าเรามันรู้ขึ้นมาเนี่ยนะอันแรกเลยที่รู้ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้จงใจจะรู้ถ้าจงใจรู้เนี่ยไม่ใช่รู้ที่แท้จริงอันที่สองพอรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้โดยถูกต้องนะใจมันจะโปร่งโล่งเบานะถ้าจงใจไปรู้มันจะหนักๆ หนักๆแน่แนๆแข็งๆ ข, ของคุณยังติดความแข็งอยู่นิดนึงยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมตอนที่เรารู้ว่าเราเราคิดว่าเรารู้เนะะี่ยค่ะตอนที่เราเราทราบตอนนั้นทันทีเนี่ยเราควรทำยังไงคะไม่ทำอะไรนะถ้าอยากแ่แก้ไขมัน <c oughs> รู้ว่าอยากแก้ไขรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้อย่างที่เป็น แล้วรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้อย่าไปนั่งเฝ้าไว้ด้วยของคุณมันติดการกำหนดการประคองนะยังติดอยู่ดูออกไหมค่ะ <Okay. S 1> นั่นแหละดีลวคอยรู้ไปนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นธรรมดาธรรมะนะธรรมดาที่สุดนนี่คนที่เคยเข้าคอร์สเข้าอะไรมายี่เป็นอย่างนี้นจแข็งทื่อๆนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้เกินจริง ให้เรารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปให้เราสร้างอะไรขึ้นมาหรอกดีแล้วลักค่อยๆฝึกนะพ่อก็นุโมทนาค่อยฝึกไปค่อยเรียนฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดสังเกตใจของเราเราไปประคองให้นิ่งเอาไว้เราไปกําหนดเอาไว้ยังประคองอยู่ยังรักษาอยู่ให้ค่อยรู้ทันการที่เราประคองเรารักษาเรากําหนดก็คือการที่เราทํางานขึ้นมาแทนที่เราจะดูกายดูใจทํางานกลายเป็นเราไปทํางานแทนมันซะอีก ให้รู้ทันจนวันหนึ่งเราเลิกทํางานเห็นแต่ขันทํางานแต่เราไม่ทํางานนะที่เราประคองไว้นี่เราทํางานเองเราประคองอ่ะมีใครไหมได้อีกสักท่านโอ้ยกทีเดียวคนผู้ชายนี่เสื้อเหลืองเนี่ยเอาใ ช, ใช้ใช้ไม้หน่อยเนาะใช้ไม้สติสติเนี่ยเป็นสภาวธรรมมาหนึ่งที่ทําหน้าที่รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ เ ส, ส, <Ris> สติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสัม ป, ปชัญญะเนี่ยมีหลายตัวสัมปชัญญะมีทั้งสี่ตัวนะที่แปลว่าความรู้สึกตัวเนี่ยอันแรกเลยรู้ว่าเราทําอะไรอันที่สองรู้ว่าทําเพื่ออะไรอันที่สรู้ว่าทําอย่างไรอันที่สี่ระหว่างที่ทําอยู่ไม่หลงไม่เผลอไปไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปงั้นบางทีเราก็แปลรวบยอดสัมปชัญญะว่าความรู้สึกตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัว <c oughs> อย่างเวลาโยมตั้งใจฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเรามีร่างกายมีจิตใจเหมือนหายไปจากโลกแล้วอันนี้เรียกว่าเราลืมตัวไปอันนี้ลืมแบบแบบวิปัสสนานะถ้าแบบทางโลกก็ถือว่าตอนนี้ไม่ลืมตัวเพราะตอนนี้กําลังตั้งใจฟังอยู่สัมปชัญญะจริงๆเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยคล้ายๆผู้กํากับเส้น คนส่วนมากจะมีสติชอบมีสตินะเอาสติไปเพ่งไปจ้องอะไรไว้แต่ถ้ามีสัมปชัญญะกํากับการปฏิบัติอยู่มันจะไม่ค่อยพลาดสัมปชัญญะเนี่ยเป็นการคอยดูว่าเราจะทําอะไรเช่นเราจะทําสมถะหรือเราจะทํามิปัสสนาเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรเนี่ยสัมปชัญญะก็รู้อีกสมถะทําทเพื่อสงบมิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ ทำเพื่ออะไรทำอย่างไรก็รต้องรู้อีกทำอย่างไรก็คือสมถะเนี่ยน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องทวิปัศนานะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่บังคับแทรกแสงไว้นี่ทำอย่างไรนี่ระหว่างที่ทำไม่หลงไม่เผลอไปทำอันอื่นซะเช่นเราจะทำสมถะเราก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นลืมเนื้อลืมตัวไปตกจากสมถะ ถ้าเราจะทํามิปัสสนาเราก็ต้องไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือไม่ลืมกายลืมใจตัวเองต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนีนสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นคํากว้างเหมือนกันนะแต่ส่วนมากที่พวกนักปฏิบัติเราเอามาใช้เราจะมาบางด้านเอาแค่ว่าความไม่ลืมตัวรู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอไปไม่ลืมไปอะไรนะอะไรนโยบายเอไม่ใช่สติสตินี่เป็นตัวรู้ทันเฉย สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาใช่อะไรนะิยมยมยมเปิดใหม่ที่เปิดใหม่เราเ อ, อสัมปชัญญะนี่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นปัญญาด้วยใช่ไหมครับเป็นปัญญาใช่เป็นแบบเดียวกับจิตจตนะปัญญาใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรหนะ้าแตมามิจิตนะปัญญาความเอ่อเป็นความรู้อ๋อจินตามิยะปัญญาครับ กินตามไม่ยากปัญญ่าใช่ระดับนั้นเป็นการตรวจสอบตัวเองเพื่อให้เดินได้ถูกเส้นพอภาวนาไปเนี่เราต้องมีปัญญากํากับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในรูในทางของการทำมิปัสสนาอยู่อย่างหลายคนภาวนานะเช่นบางคนไปดูท้องพองยุบตรงนี้ยดูท้องพองยุบไปแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยถ้ามีสัมปชัญญะ ก็จะฉลาดแยบคายขึ้นมามันนี่ไปเพ่งแล้วนี่เป็นการไปเพ่งอารมณ์แลไม่ใช่การรู้รูปนามตามความเป็นจริงเลยพอรู้ทันอย่างนี้มันก็จะกลับมารู้รูปนามใหม่มันจะเป็นตัวเป็นตัวกํากับเส้นไม่ให้เราเดินออกนอกลูกนอกทางตัวนี้ตัวสําคัญนะสัมปชัญญะนี่พอมีสติมีสัมปชัญญะกากับในการเจริญสติรู้รูปรู้นามไปด้วยจะไปปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นคือเห็นความจริงของกายของใจ เห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นความจริงเนี่ยเป็ น, ปนวิปัสสนาปัญญาพอเห็นความจริงแจ่มแจ้งปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจลงไปนะวางรูปวางนามลงไปจิตไปรู้นิพพา น, นอริยมรรคที่เกิดตัวนี้เรียกว่าโลกุตตะาปัญญาดงั้นปัญญามีหลายหลายเกรดเบื้องต้นเลยในขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะไว้เป็นตัวกำกับไม่ให้เราเดิน ตกจากวิปัสสนาพอเดินถูกต้องไปต่อไปก็เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญารู้ความจริงของกายของใจพอรู้ความจริงของกายของใจเต็มที่แล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไปเห็นนิพพานตรงที่ละความเห็นผิดได้ เ, ยเนยเป็นปัญญาชั้นสูงเรียกโลกุตตะปัญญามันมาจากการที่เรามีสติแล้วก็มีใจตั้งมั่น มีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับลาดับไปอย่างตอนนี้โยมฟังอาตรมาพูดฟังเราคิดรู้สึกรู้สึกไหมคิดอยู่ครับอ่คิดอยู่เนี่ยตรงที่เราไปคิดเนี่ยสังเกตไหมตรงที่ฟังอาตรมาพูดแล้วรู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่รู้เพราะการฟังนะแต่รู้เพราะการคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้มาด้วยการฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ย อาจจะรู้ถูกก็ได้รู้ผิดก็ได้เพราะเราคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ความรู้ที่เกิดจากการฟังเนี่ยจึงยังยึดถืออะไรไม่ได้จริงจังแต่ถ้าเราคอยรู้กายคอยรู้ใจเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทำงานของเขาเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะอะไรนหนึ่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้นี่ถ้าเห็นจริงๆอย่างนี้นะนี่เป็นยาตัวจริงเอาตัวรอดได้เห็นของจริง นั้นปัญญาที่เกิดจากการเข้าไปเห็นของจริงเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดและกินตามเมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยยังคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้แต่เบื้องต้นก็ต้องฟังแล้วก็คิดเพื่อจะได้สรุปว่าควรจะไปรู้กายรู้ใจได้ยังไงถัดจากนั้นก็ไปคอยรู้กายรู้ใจจนกระทั่งเกิดปัญญาของเราเองขึ้นมาค่อยๆเรียนนะค่อยสังเกต จิตใ จ, ใจไม่ใช่ของยากอะไรหรอกส่วนจะจะติดในตัวภาษามากกว่าครับใช่ใช่ภาษาบาลีพระอ่านเราจะติดภาษามากไม่ไม่ไม่เอาภาษาเลยก็ได้พูดภาษาไทยเลยนะรู้จักเผลอไหมรู้ครับใจลอยไปอะไรรู้จักเพ่งไหมรู้ครับงั้นถ้าเริ่มเมืไไมเ่อไหร่ไม่เผลอไม่เพ่งนะเมื่อนั้นก็รู้สึกตัวและใจของเราเผลอทั้งวันเผลอไปคิดคิดคิดขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราก็ลืมกายลืมใจ เวลาเราไม่หลงไปคิดเราก็ชอบไปเพ่งเอาเพ่งกายเพ่งใจนะกาหนดท้องกําหนดมือกำหนดเท้ากําหนดลมอะไรเนี่ยอันนี้ก็ทําให้กายให้ใจนิ่งผิดความเป็นจริงใช้ไม่ได้เหมือนกันเนื้อสิ่งที่ผิดมีสองอันจะมาเขียนธรรมมาไว้บทหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่รู้บาลีเลยไม่รู้ยังมีแจกนะเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่ลองดูนะไม่มีศัพท์เลยในนะั้นจงใจเขียนแบบไม่ให้มีภาษาแขกคนเลย อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีไม่ได้มีสมาทิติิคือยังเข้าใจว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ายังต้องมาจากการฟังการต้องออฟังก่อนอ่านการดต้องฟังก่อนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในสา ว, วกภูมิเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังต้องอ่านนะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติแม้ในสมัยพุท ธ, ธกาลเองคนที่ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าก็าไปฟัง ไปฟังท่านสอนสอนพอฟังเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วท่านไล่แล้วท่านนี้โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นปูเขานั่นถ้าไปดูของจริงไปดูกายดูใจเราต้องฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติก่อนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกต้องแล้วต้องฟังก่อนครับนะถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่านิพพานคืออะไรไม่เป็นไรนะช่างมันก่อนจริงๆนิพพานมีหลายชื่อที่ชื่อที่เข้าใจง่ายหนะ่อยคือวิราคะว่าความสิ้นตัณหา อีกชื่อหนึ่งชื่อวิสังขารสิ้นความปรุงแต่งสัง เ, เกตแม้ใจเรามีความอยากอ ย, กอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากรู้เรื่องเดี๋ยวอยากโน้อนอยากนี้เนี่ยตัวนี้กั้นเราไว้ถ้าใจเราหมดความอยากนะเดี๋ยเราจะเข้าใจนิพพานแล้วใจของเราพอมีความอยากขึ้นมามันก็ดิ้นรนดิ้นทํางานไปเรื่อยทําปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยเพราะว่ามันปรุงไปมันหวังจะมีความสุขก็ปรุงไปเรื่อย ในวันใดที่ใจมีปัญญามากนะใจจะไม่ปรุงนะใจจะรู้สภาวธรรมทั้งหลายโดยไม่ปรุงแต่งเราจะเข้าใจธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นความสิ้นอยากนิพพานเป็นความสิ้นการดิ้นรนรุงแต่งถ้า ใ, ใจเราเข้าถึงสันติสุขจริงๆิงนิพพานจริงๆมีสันติลักษณะลักษณะสงบมีสันติ ในิใจของเราไม่มีความสงบสันติใจของเรามีแต่ความอยากก็ดิ้นไปดิ้นมาไม่มีพบใช่ไหมครับอ่าไม่มีพบไม่มีพบถูกต้องแพบก็คือกรรมมาพบการทำงานของใจทำทั้งวันทั้งคืนนะดิ้นไปเรื่อยๆอี้วอ่ะคุณเบอร์ย1ิบเอ็ดคุณคุณผู้ชายที่ส่งใหม่รู้สึกไหมตอนที่เราส่งใหม่เราลืมเราลืมกายลืมใจเราลืมอ่ะเบอร์อยิบเอยากจะถามนิดนึงค่ะว่า ร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแล้วอะไรคะคือเราที่บอกว่าเชื่อมอดีตชาติความประจุในอนาคตความคิดความจํเนาะความคิดความจำอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างความเป็นเราจริงๆไม่มีพระพุทธเจ้ไม่ได้สอนให้ละความเป็นตัวตนท่านสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเรียกว่าสักยทิทิ ให้ลาความเห็นผิดว่ามีตัวตนนี่พิธีลากความเห็นผิดว่ามีตัวตนจะลากความเห็นผิดได้ต้องเห็นถูกจะเห็นถูกก็ต้องมารู้ลงมาสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรานะก็คือกายกับใจให้เรามารู้กายรู้ใจมากๆจนวันนึงเห็นเลยมันทํางานเองมันไม่ใช่เราหรอกนี่จิตเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆฉะนั้นทํากรรมไว้เนี่ยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นก็รับมรดกจิตดวงใหม่ก็เหมือนลูกของจิตดวงเก่า อย่างเราเป็นลูกนะพ่อแม่เราทํางานรวยไว้แมเราก็รับมรดกรวยพ่อแม่ทำหนี้ไว้เยอะเราก็รับมรดกหนี้ไว้จิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นมามันก็รับมรดกสืบทอดไปเรื่อยๆแตนะ่ไม่ใช่ตัวเก่าหรอกถ้าหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งคุณจะเห็นเนละจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะแล้วก็ดวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้น ถ้าภาวนาจนถึงจุดที่เห็นสัน ต, ติคือความสืบเนื่องนี้ขาดนะจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับทั้งวันเลยแล้วจิตจะไม่ใช่ตัวเราละแต่ว่าเกิดดับตลอดเวลาเลยเกิดดับเร็วมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะเริ่มจากวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญามันจะตามมาเองไหมคะ ถ้ามีสติ น, นะจะมีศีลสมาธิปัญญาถ้าขาดสติก็ขาดศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนที่เข้าถึงทำนะจะต้องเข้าถึงด้วยปัญญาและสมาธิด้วยกันทุกคนแหละแต่การปฏิบัติเนี่ยพระนลเคยแยกแยะไว้นะท่านบอกว่าการปฏิบัตินะ ม, มีแบบสมาธินำปัญญาแบบปัญญานาสมาธิแบบสมาธิและปัญญาควบกันไป ท่านสอนมีหลายแบบแล้วแต่คนแล้วผลที่ได้มันต่างกันยังไงอะคะมันเข้าถึงความบริสุทธิ์เดียวกันแหละไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าทำไมต้องมีหลายแบบเพราะคนมันมีหลายแบบพวกไหนเป็นตัณหาจริติรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ต้องรู้กายในการจะรู้กายทำได้ดีต้องทำสมาธิกายานุปัสสนาเหมะกับคนทาสมาธิ งั้นเราทำสมาธิแล้วมารู้กายปันใช้สมาธินำก่อนแล้วมาเจริญปัญญารู้กายอีกพวกหนึ่งจิตใจคิดมากพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตเอาจิตตานุปัสสน า, ามอบกับพวกคิดมากการดูจิตเนี่ยเหมาะกับคนที่เจริญวิปัสสนาเลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนเดี๋ยวสมาธิเกิดทีหลังมันอยู่ที่จริตนิสัยเราไม่ใช่อยู่ที่เรื่องเอาตามใจชอบนะ เราไม่ใช่เลือกตามอาจารย์เลยต้องเลือกตามตัวเราเองตามนิสัยเราเอาคุณนะ่ะเป็นพวะคิดมากคุณดูจิตไปเลยเพราะคุณทำสมาธิก็ไม่ลงง่ายๆหรอก